ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาพระวิสุธิสมณีนนทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐานสมาทานศีลแล้ววันนี้จะได้ศึกษาในเรื่องของอนาคามีผลสำหรับเว็นก่อนได้น้อมนำ อ า, อารมณ์ตั้งแต่พระโสดาสิกิทาคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันก็ตั้งแต่สัตักตงโกลังโก ล, ละเอกพิชีและวสกิธาคามีมาพูดสําหรับวันนี้จะนํำอารมณ์ของพระอนาคามีมาแต่ก่อนที่จะพูดอารมณ์ของพระอนาคามีความจริง ถ้าอารมณ์จิตุมัดาท่านนั้นหลเข้าถึงพระสิกขาคามีแล้วการทรงอารมณ์ของพระอนาคามีผลเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการศึกษามาตามลำดับต้วยก่อนที่จะพูดในะอารมณ์ของพระอนาคามีก็จะขอน้อมนำเอาวิธีปฏิบัติ ที่องสมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ที่โสภาคสอนไว้มาแนะนำกันเสียก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าปฏิบัติไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ไม่ถูกแผนผลแห่งการบรรลุมันก็ไม่มีในวิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติได้กันมาจะต้องทำแบบนี้ ไปดูในวิปัสสนาญาณเก้าข้อที่8ปดท่าเรียกว่าสังขารเปขายาณแต่ว่าข้อที่เก้านั้นท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกายานคำว่าสัจญานุโลมิกายานเน้นไม่มียาณเฉพาะสำหรับตนเป็นการปฏิบัติคือคำนึงจิตเพื่อพิจารณาย้อนไปย้อนมา สมมติว่าทนานนันไล่กำลังจยริญสมาธิจิตเริ่มตั้งแต่คาสิคาธิกาสมาธิอุปจารสมาธิหรือว่าถือนิมิตในกสินท้่เราเคยเจริดยอนนาปานุสติทนุสติมากอ่อนแล้วก็ไปจับพุทธานุสติไปจับธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติยาคานุสติ หรือว่าเล่นกระสิงกองใดกอหนึ่งวิธีปฏิบัติเขาทําแบบนี้พอเริ่มต้นขึ้นมายเขาต้องจับอารมณ์ต้นก่อนเช่นเจริญนาปานุสติก่อนก็ต้องจับอนาปานุสติให้มีอารมณ์ถึงที่สุดที่เราได้มาแล้วแล้วก็ปล่อยอารมณ์จิตให้มาทรงอยู่ในอารมณ์นั้นให้สมาย เมื่อจิตมีความสบายถึงที่สุดทรงอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็เคลื่อนไปจับกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าตามลำดับแต่ละกองนั้นก่อนที่จะเคลื่อนไปให้จิตเข้าถึงจุดสูงสุดตามกรรมฐานกองต้นเสียก่อนเมื่อจับไปตามลำดับถึงที่สุดแล้วจึงค่อยทาต่อกองที่ทาต่อใหม่ กองที่ทำต่อใหม่นั้นเราจะใช้เวลาเพียงนิดเดียวอารมณ์ก็จะส่งตัวท่านี้เพราะว่ากรรมฐานนั่นสี่สิบกองก็ดีมหาสติประฐานนันส่วนก็ดีเมื่ออารมณ์เหมือนกันเช่นเราทรงสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติถึงฌานสี่หรือว่าฌานหนึ่งหรือฌานสองหรือฌาน ส, สามก็ตาม ก็เริ่มต้นเราก็จับอนาปานสติให้เข้าทรงฌานที่สุดตามที่เราจะพึงทําได้ในวันนั้นรับปล่อยจิตให้ทรงอยู่ใหอารมสบายเมื่อจิตตื่นสุขดีแล้วขยับเข้าไปกองที่สองเล้วกองที่สามแต่และกองจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีอารมณ์ก็อย่าทรงตัวตามนั้น เป็นอันว่าถ้าทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราใช้วิธีสัจจานนโลโมิทยานอันนี้รมก็เดินตั้งแต่ต้นเข้าไปถึงปลายบางทีจับตัแต่ปลายเข้ามาหาต้นจิจสวงรม์ได้ตามปกติสม่ำเสมอการถูกจุดอย่างนี้จะมีอารมณ์ไม่เคลื่อนจากสมาธิทุกกองไม่ได้ทำกองนี้ได้ไปกองหน้าทิ้งกองหลังอันนี้ใช้ไม่ได้ เขาต้องเก็บไปนั้งแต่ต้นถ้าหากว่าสมมติว่าทุกท่านทรงกรรมฐานทั้งหมดได้สี่สิบกองเวลาเราจับตแต่ต้นหนึ่งถึงสี่สิบไม่ต้องใช้เวลาตลอดคืนหรือผมก็จะขอตอบพระเด่นาราบว่าอย่างช้าที่สุดกรรมฐานสี่สิบกองนี่เราจะเรียงตามลำดับให้ทรงชันทนี่สุดไม่เกินสิบห้านาที แต่ผมว่ามันไม่ถึงน่ะผมไม่เคยทําถึงนี่เมื่อกองแรกเราคล่องกองอื่นๆมันก็เหมือนกันกำมาฐานสี่สิบกองถ้าเจ็บเปียกกับเรากินข้าวถ้าเราเคยกินข้าวด้วยมือเขาไม่ให้กินข้าวด้ยช้อนมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเคยกินข้าวด้ช้อนช่างสีเปลี่ยนมาเป็นช้อนส้อมมันก็ไม่หนัก มันจะเก่เ ก, กาอยู่นิดเดียวเช่นนี้ฉันข้อนี้ฉันใดแม้การเจริญพางกรรมฐานที่มีการเปลี่ยนอารมณ์ก็เหมือนกันการเปลี่ยนอารมณ์เข้าไปหาอารมณ์เขาแตกแต่แตและกองแต่ถ้าว่าอารมณ์จริงๆคือสมาธิมันอันเดียวกันนี่จุดหนึ่งนะครับและอีกจุดหนึ่งถ้าเราจะเดินด้านวิปรสนาญาน เวลานี้จะพูดกันถึงอนาตนาคามีแต่ได้ว่าก่อนที่เราจะใช้อารมณ์จับพระนาคามีในเวลาสงัดในเวลาไหนก็ตามเราก็ต้องนั่งไล่เบีย้ยมาตั้งแต่ประโสดาบันก่อนคำว่าไล่เบีย้ยมา น, นี่เป็นการสอบสวนอารมณ์จิตของเรา ว่ารมจิตเดิมที่เราไร่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบัญ น, นี่ยมันทรงตัวแล้วหรือเปล่าถ้าพระโสดากับสกิทาคามียังไม่ส่งตัวเราก็จะเพิ่งไปยุ่งกับอนาคามีผลหรือว่าจะเป็นอนาคามีมักต้องจับตั้งแต่พระโสดา บ, บัญขึ้นไปตามขั้นตามระยะ มีอารมณ์ทรงตัวเห็นว่าจิตทรงแน่นแล้วจิงะก้าวเข้าไปสู่ข้อหน้าต่อไปตอนนี้เราใช้วิธีสัจจานุโลมิเกยานอันดับแรกเริ่มต้นเมื่อรมเมื่อหาที่สงัดได้คำว่าที่สงัดมันจะสงัดเสียงหรือไม่สงัดก็ช่างมันแต่ว่าทำใจของเราให้สงัดในนิวร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดาพระสมณะอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมเป็นที่สงดัดคือมีฟรามถามพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายต้องการที่สงัดใช่ไหมหรือว่าต้องการอยู่ในป่าชัดต้องการอยู่ในป่าชา้าต้องการอยู่ในเขาจองจองต้องการอยู่ในบ้านที่ประาศจากพวกคน พระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดากับทรงตรัสว่าพระมณัดวก่อนพราหมณ์พระอาาริยเจ้าจะอยู่ในปา่าคนดีอยู่บนยอดเขาคนดีอยู่ในถ้ำคนดีอยู่ปาา่าช้าคนดีอยู่ป่าชัยคน ด, ดีอยู่บ้านบ้างจากคนบ้านบ้างจากคนก็ดีหรือว่าอยู่ในบ้านคนดีอยู่กลางเมืองคนดีอยู่กลางสนามหลวงคนดี พระอริยเจ้าทั้งหมดนี้ย่อมมีอารมณ์สงดไม่ว่าที่ใดสงบหมดเพราะว่าอารมณ์ของทุกท่านสงบจากกิเลสแล้วนี่เป็นอันว่าคาว่าสถานที่สงบคือเราใช้อารมณ์สงบจะไปนั่งคิดว่าที่นั่นต้องไม่มีเสียงที่นี่ต้องไม่มีเสียงเราคิดวว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะหาที่สงบได้ เราต้องพร้อมใจไว้เสมอว่าเวลาที่เราจะตายอาจจะมีเสียงขยายเสียงทั้งด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาใกล้ๆเราอาจจะมีใครกําลังทะเลาะกันอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีใครทํามานั่งด่าเราอยู่กใกล้ๆก็ได้เราต้องเตรียมใจไว้ถ้าเราอาการอย่างนั้นมันปรากฏ เราจะไม่เอาจิตของเราเข้าไปยุง่งกับเสียงกับอารมณ์ต่างๆทำจิตของเราให้สงดจากเสียงเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเรานี่เป็นอันว่าที่สงดของเราไม่ใช่หมายความว่าสงดเสียงไม่ใช่หมายความสงดจากอาการกายกรรมคือการทำงานต่างๆ ที่สงัดของเราคือใช้อารมณ์จิตสงัดจากที่วนห้าเบิกการและก็สงัดจากกิเลสด้วยจำให้ดีนะครับต้องถอยหน้าถอยหลังเล่งกันไปแบบนี้ให้มันช่ำมันชองตอนนี้เราจะก้าวเข้าไปส่ข้านาคามีผลแล้วก็มานั่งดูเนึนกันดูตอนตอน้น ว่าโอโนหนอเวลานี้เรามีความเส้นใดอะไรบ้างถ้าพ่อเราจะตายแม่เราจะตายเมียเราจะตายผัวเราจะตายลูกเราจะตายเพื่อนเราจะตายตัวเราจะตายของเราต้องสลายไปเรามีความรู้สึกว่าห่วงใ ย, ยจุดใดบ้างถ้าปรายกฏว่าเมียลมยังห่วงอยู่ สมมติว่าคิดว่าถ้าเขาจะตายเราจะร้องไห้เราจะเสียใจเราจะมีอารมวาเวถ้าเราเสียใจจะเราจะตายเราเสิสงสารคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครประคับประคองไม่มีใครเลี้ยงดูก็เน้อก็เกื้อหนุนเธอให้มีความถ้าอารมณ์ยังมีอย่างนี้ก็เสร็จต้องใช้อารมณ์จิตใช้ปัญญา ว่าจิตตัาเองนี่มันเร็วเกินไปทำไมเองลืมความจริงใช่แล้วหรอือว่าคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีอนิจจังเป็นเบื้องตนอันดับแรกมันไม่มีความทรงตัวคือไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายตวัวไปในที่สุดทำไมเธอไม่รักษาสัจธรรมอนิไว สัจจานุโลมิกญาณคืออนุโลมถอยหน้าถอยหลังด้วยอริยสัจอริยสัจคือของจริงที่พระอริยเจ้าทรงไว้จงเตือนใจว่าเจ้าจงอย่าลืมความจริงว่ญาติผู้ใหญ่ก็มีเรามีถอยหลังก็ไปตามระดับนับหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าญาติทุกคนของเราท่านไม่มี เวลานี้บางคนมีชื่อแต่ไม่มีตัวแล้วกสว็ส่วนใหญ่ทั้งหมดหายไปทั้งตัวเลยชื่อคือนั่นท่านตายนั่นเราจะทรงยังได้ยังไงท่านท่านหลายเหล่านั้นเวลาตายท่านห่วงเราทุกตาวท่านอาจเจ้าห่วงแต่ว่าการห่วงนั้นมีประโยชน์อะไรสําหรับเราบ้างเมื่อท่านตายไปแล้ว ประโยชน์ที่ดีจริงๆตามสัจธรรมแม่นก็คือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นเด็กูลของเราแต่ท่านก็ตายในเมื่อต้นเด็กูลตายแล้วก็ไอ้ปลายเด็กคนมันจะทรงอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องมีสภาวะการตายเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้คิดให้มันลงตัวแล้วก็ในเมื่อเราจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นที่พึ่ง พระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จระสมมาสมุทัเจ้าคือพระธรรมวินยัยพระวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและก็สอนให้เราละชั่วประพฤติดีเนะี่ยเราทรงตัวได้แล้วหรือยังฝ่าฝืนพระธรรมวินัยตอนไหนบ้างค้นคว้าในจิตของตัว ไอยหน้าถอยหลังนั่นโดยเฉพาะอย่างยี่งสิ่งของเราบริสุทธิ์พราอมุลแล้วหรือยังนี่เรื่องของพระโสดาบันก้าวไปถึงพระสกิทาคามีโลภะความโลภขรานี้เรามันลดตัวไปจริงๆรหรือเปล่าหรือว่ายังมีความทะเยอทะยานอยู่ โทสะความโกรธมีกำลังหนักหรือหรือว่ามีกำลังเบาถ้าหากว่าโลภะความโลภยังมีโทสะความโกรธยังหนักใช้ไม่ได้โลภะความโลภในจิตทศกิทาคามีคือความอยากรวยมันต้องน้อยความมีความรู้สึกว่ามีอย่างไงกินอย่างนั้นมีแบบไหนใช่อย่างนั้น การประกอบอาชีพเป็นของปกติที่ในเมื่อร่างกายยังมีชีวิตมันก็ต้องหากินหาใช้ได้มากพอใจได้น้อยพอใจแล้วก็คิดคือว่าของที่ได้มาทั้งมากกันน้อยตายแล้วไปไม่ได้เลยจิตมีความสุขโทษสารความโกรธโกรธเขาทำไม เรามันเสื่อเกิดมา เ, เ, มเขาด่าเสื่อเกิดมาเขานินทาเสื่อเกิดมาเขาใช้เสื่อเกิดมาเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายเสื่อเกิดมาเพื่อความแก่เสื่อเสื่อเกิดมาเพื่อความพักราของลักของชอบใจเสื่อเกิดมาเพื่อตาย ในเมื่อการอย่างนี้มันเป็นปกติที่เราจะพึงรับทำไมเราจะพึงจะไปสนใจในมันถ้าตายเมื่อไหร่นั่นเราจะมีความสุขคือเรามีหวังพนิพยานเราจะไปนิพพานแดนอมาตะที่หาความทุกข์ไม่ได้มีทวนถอยหลังอารมณ์เราเอาไว้ให้จิตมันสงตัว ด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติเวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตาหลับตามันไม่เก่งลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตเป็นทรงสมาธิลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตเป็นท ร, ยย ง, นรนงยอมรับนับถือก้อนธรรมดาและความเป็นจริง เห็นอะไรเข้าตายหมดเห็นคนคนตายเห็นสัตว์สัตตายเห็นวัตถ i mean, ok. right to ุธาตุว <world> ัตถุธาตุทา้งแล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกันนี่ต้องถอยหน้าถอยหลังแจกก้าวไปแต่ข้างหน้าแล้วว่าก็ไม่เหลียวหลังท่านท่านหลายที่ระงับความวุ่นวายเขาจิตไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าศีลพรตบรามาต์เป็นผู้รูปคํำคำในศีล จิตปรามาตรรูปคำในสมาธิปัญญาปรามาตรรูปคำในวิปัสนาญาณทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิตมีอารมณ์หนุนหันฟันแล่นชงเฉงวอยวายปราศจากเหตุผลคนประเภทนี้ทำกิสัยกับโกโรนรกเพราะสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าประพฤต ไม่รู้จักที่จะพิจารณาจิตของตัวเองว่ามันดีหรือมันชัว่วนี่ถอยหลังไปถอยหลังมากันแค่นี้นะ่ะความจริงเขาถอยกันเป็นปกติย้อนไปย้อนมาเสียงที่จะละได้แล้วมันละจริงหรือไม่อารมณ์สมาธิติดโซ่ได้แล้วทรงจริงหรือไม่อย่าไปหาที่สงัดเสียงอย่าไปหาที่สงัดความม่นวายจงหาความสงัดใจคือใจสงัดจากกิเลส นี่มันถึงจะถูกเป็นดันว่าต่อ น, นี่ไปหรือว่าลายแปดนาทีก็มันนั่งคุยกันถึงเรื่องความจะเป็นพระอนาคามีไม่อยากไม่เห็นมีอะไรยากกามาชันทะเราเบามาจากพระอนาคาสกิทาคามีแล้วแล้วก็ชานสมาบัติอารมณ์ชาน การเทีย่ยเก้าเขาถึงแพ้สศ่ทธาคามีอย่างน้อยกำลังจิตของเราจะต้องต้องโชงโรงชานสามหรือว่าดีไม่ดีก็โรงชานสี่ไม่อยากตอนนี้ไปเราก็มาเอากันจริงจังกามาชันทะความใค่ในรูปสวยนั่งนึกที่ว่ารูปคร่ก็มันสวย ที่ว่ารูปสวยๆจริงหรือไม่จริงสะอาสด ส, บสบุขสกปรกเสียงเพราะเสียงสร้างคนให้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมกลิ่นหอมกลิ่นสร้างความกันความพุทธสมของร่างกายกันความตายได้หรือเปล่ารสอร่อ ย, ยของอาหารอาหารที่บัดดีวิเศษมีวิตามินดี อ, ย, อดย่งน้่นก็ดีอันนี้ก็วิเศษที่หมอก็แนะนํา ถ้าไปดูหมอที่แนะนำํำเราทีว่าหมอเนี่ยแก่เป็นไหมหมอป่วยเป็นไหมหมอตายเป็นไหมถ้าหมอมีความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคําแนะนําของหมอหมอก็ต้องไม่แก่หมอก็ต้องไม่ป่วยหมอก็ต้องไมตง่ตายแต่ตามข่าวที่ทราบมาหมอในประเทศไทยตายไปแล้วนับลานล้านคน นันเพราอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแลี่มันอาจจะ ด, ดีจริงเพียงแค่ประทางความชีวิตที่ส่งอยู่แต่ถ้าว่าเปล่าเรื่องกันแก่กันตายแลี่มันไม่ได้ในเมื่ออาหารทุกอย่างไม่สามารถจะยับยั้งให้คนทรงชีวิตอยู่ได้ร่างกายของคนแต่และคนเต็มไปด้วยความสุขปกเมื่อนอกจากสุขปรกแล้วก็ยังจะหาทางสลายตัวไปในที่สุด เป็นอันว่ามันสุขปรบกด้วยมันก็ไม่ใช่เราด้วยถาจิตนอ้อมมาอย่างนี้เราสุกปรบกเขาสุขรกรบกแล้วมันนั่งดูคำว่าเราว่าเขามันอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เป็นเรารือว่าร่างกายโน้นเป็นของเขาเลยเป็นอันว่าร่างกายทั้งสอร่างกายนี้ไม่มีเราไม่มีเขามันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะสุกปรบก เป็นบ้านเช่าดีจะมีมีแต่ความผูกพันไปตามปกติไม่ช้าเราก็มันก็จะ ก, กันแล้วจิตใจของเรานั้นจะไปผูกพันได้โลกีวิสยัยกรรมราคะปรารถนาความเป็นคู่ครองซิ่งกันและกันนะมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหนคนที่รักจะจะเริ่มรักใครต้องเริ่มรักคนสวยร่ำรักเริ่มรักคนงาม มีการเยื่ยงกายจริยาวาจาดีทุกอย่างแต่ไอตัวดีตัวนั้นน่มันดีนานไหมไม่นานร่างกายก็สวยไม่นานจริยาวาจายของแต่และบุคคลมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนช้อยจริงมันยังมีวมโหโทโสมีความเร็วไปจำย็นในจิต ม, มีความโลภมีความโกรธมีความหลง ตัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยากก็คือตัณหาอยากได้มาเราก็อยากได้ทุกข์เราก็ต้องตัดตัดด้วยกำลังของศีลบริสุทธิ์ด้วยกำลังของอารมณ์สมาธิด้วยร่างกายของคนล ส, สัต์สกปกและมีการสลายตัวเป็นอนิสุดธิ์ให้จิตมาสรงตัวแบบนี้ ในที่สุดจิตมันก็จะเบื่อเห็นคนเป็นสรากศพอ่นนี้มาด้านความโกรธในสมัยเป็นพระสิกขาคามีเราโกรธหน่อยหนึง่งแล้วก็ให้อภัยมายด้านถึงอนาคา ม, มีทว่าตัดให้มันพังสลายไปฉเฉลยวิธีตัดเป็นยังไงใช้กะสินสี สีสินสีนแดงสีเขียวสีแดงสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหารนันดีที่สุดก็อมีอารมณ์เบาหนังคิดไว้เสมอว่าเรากับเขาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งร่างกายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร ถ้าราเย่อกรธคนที่กรธเราเราก็จะเรวกว่าเขาตามที่พระพุทธเจ้าว่านในการโกรธมันทําให้เราหน่มนหรือเปล่าการโกรธทําให้เราสวยขึ้นไหมความโกรธดทาให้เราอิ่มเอิบขึ้นหรือเปล่าความโกรธทําให้จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าความโกรธโทสะขี้ไฟโทโทสะสร้างความรับร้อนให้กับจิต โกรธมโกรธหรือโกรธง่ายแก่เร็วโกรธบ่อยแก่บ่อยไม่แก่ลงไปทุกวันทุกวันในทีน่สุดมันก็พังถ้าความโกรธเผาผลาญร่างกายเผาทั้งกายเผาทั้งใจใจก็มีแตความเ ร, ร้อนเมื่อโกรธเขาใจ ร, าร้อนร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช้ก็โซ่ไม่ใช้ ก, ชก็ตาย แล้วคนที่เราจะโกรธล้วโกรธทำไมอยากจะฆ่าเขาอย่างนั้นเลถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายไหมเป็นอนักเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราจะแกล้งเขามีทุกข์ถ้าเราไม่แกล้งเขาเขาจะมีทุกข์ไหมเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้านทีน่สุดเขาจะต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจคว า, ามปรารถนาจะไม่สมหวัง ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องการปัจจัยของความสุขความทุกข์ความโกรธเป็นปัจจัยเข้าสู่อบายภูมิดันั้นเราก็ยึดมันม่นในพวามบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักเกลนาความสงสารเห็นใครเขาโกรธเราเราก็สงสารเขาไม่เอยไม่น่าแยางง้เลยมาโกรธเราเข้าก็ เขาก็หมดหมดเอ่หมดหมดิตรที่ดีคือเราไปคนหนึ่งแล้วก็นอกจากเราเพื่อนของเราญาติของเราลูกของเราหลานของเราก็เป็นศัตรูเขาไปด้วยช่วยเขามีความทุกข์ใจมากที่สุดดงนั้นเรื่องความโกรธเมื่อเขาโกรธมันไม่ดีเราก็ไม่โกรธเขาเช่นเดียวกันเขาจะโกรธมาช่างเขาเราไม่โกรธไป ดวงอตู ต, ตัวอย่างองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสเดาที่นางมาังคติยาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธรามันดาตัวหน้าทาระกำนันพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธกินดมานิการแกล้งกล่าวหาว่าพระองค์ทําให้เธอท้องพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเมื่อเทวทัศทำอันตรายพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธ เพราะว่าพระองค์ไม่โกรธอารมณ์พระองค์จึงมีความสุขและก็พระองค์ปานิพาน์คนที่โกรธพระพุทธเจา้าย่อให้พระพุทธเจา้าโกรธทุกท่านไปเอาเวทีทั้งหมดพระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุขสุดความจริงการศึกษาเข้ามาระดับนี้มันมีมันสบา ย, บายไม่มีอะไรมากเพราะเข้าถึงจุดจะเข้าถึงปานิพันธ์อยู่แล้วก็ น, นี้หมดเวลา พระวินบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัแก้วทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่ท่านเห็นว่าสบายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาว น, นาและพิจารณาตามอัตริยาสายจีงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั่งควรยันเลิกสวัสดี